คนจ็ดหลวนให้เขาา่าแก่องที่เราท่านอยู่นี่แต่ฐานที่สักหนึ่งนะเขาว่าสถานทัดไม่ใช่เป็นโบตี่สร้างกับแผ่นดินแท้ใดผ้าปลองนี้ซ้อมกับแผ่นชื่อว่าซักฐานที่สักไม่ใช่ก่อสร้างไม่กี่ปีสร้าง เราทุกคนฐานที่เช่นให้สงบจิตฟังอบโลกเราการอบโลกนั้นเกียบธรรมเนตั้งแต่ขังข้ ง, ขงประพุทธสมาธิอไม่โผได้ตรัสรุ้อย่างและเดียนแห่งการนั่งนาจึงมาจากโนดเมื่อมาถึงสัมภาการอ่อคำสมาธิปแม่เราอยู่ที่น่ว่าที่ลิภาวนาเลื่ง ก็ติดเหมือนกันมันอยู่เสมออันการนี้ท่านให้มานั่งขัดสมาธิมีอยู่ตัว่าเอาขาขาซ้ายว้าวางท่แบบหนึ่งท่านว่ามาที่เพชรหลวงพ่อแขีงแสนขัดสมาธิเอาขาขับขาขวาก็เอาขาขวาซ้ายสัวนก็มือขวาเหมือนกันอันนี้ก็แบบหนึ่ง เรียกว่านั่งขัดสมาธิทั้งสองแปลกนีแหละเราระดวกอย่างไรก็นั่งแบบนั้นเม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตานึกบริกรรมภาวนาโพวรวมจิตใจเข้ามาภายในการภาวนานี่สำคัญอยู่ที่เราทุกคน รวมเอาจิตใจของตนให้มาส ง, งอสงบตั้งมั่นภายในใจให้ได้ตามธรรมดาคนเหล่านั้ น, ม, นมีกิเลสความโกรธมีกิเลสความโลภความได้ไม่มีที่สิ้นสุดมีกิเลสความหลงประจําโยในจิตใจของปุถุชนคนเหล่าเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิวันนาไม่ว่าเราจะนั่งที่นี่ที่ไหนก็ตาม ในบ้านเดินของเราก็เหมือนกันถ้าเรานั่งมารักษาจิตใจให้ใจมีผ้าเาเป็นเวลาคําเป็นเวลาใจไม่ให้ใจละไปให้ถือว่าปริมนหุมอยู่เป็นที่ทางหลายนี่เป็นที่ลุยสงบระงับเอาจิตจัดตัวในใจไปเพื่อเข้าใจเพราะทุกกองพานอยู่ที่ตัวเราที่อืน่น เกิดเป็นทุกข์อยู่ที่กายที่คนนี้เองเป็นทุกข์เมื่อมามีความทุกข์ทางไหนกงก็เกือมตัวเราทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ดีสบายกว่าว่าเราสบายโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าละนี้เอาแต่ความายเพราะเมื่อคนนี้ความเจ็บ่วยมันก็มีถ้ามันเจ็บมากเจอโรคประทานได้ไหมและความตายใช่ว่าคนขาไปมาตายวันนั้นเรือาตายได้ ถ้าเกินตายนั้นตะวันเวลาก็ตายหนวตายนมก็ตายไม่มีบุญจะมาอยู่ในอดไปชั่วให้เลยมาให้เรานึกถึงาตายที่จะมาถึงเสอด้วยเพราะว่าพระศาสดาอาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัสรู้พุทธบริษัทขั้งพุทธกาลโน้นว่าอันมลณ ะ, ะภัยคือความตายนั้นให้สาวกบทั้งหลาย นึกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครจะหลบหลีกได้จงนึกให้เห็นจเจริญให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนความตายนั้นตายได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนเดินไปมาที่ไหนหัวเราะเพิดเพลินอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็ไม่มีอะไรที่จะทัดทานได้เพราะว่าความตายนี้ใหญ่ยิ่งที่สุดไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดๆที่จะมาต่อต้านได้ ความตายนี้ท่านให้ชื่อว่าพยาใหญ่เรียกว่าพยามัจจุราชคือความตายบุคคลผู้ใดก็าตามเมื่อเกิดมาแล้วลูกประคันร่างกายนี้ย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนาละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายมาถึงถ้าเราไม่ภาวนาละกิเลสให้หมดเสียก่อนเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตใจนี่แหละมันห่วงอะไรในชีวิตในร่างกายของตัวเอง ว่าจะไม่ให้มันแก่มันชราแต่มันก็แก่ชราไปทุกวันทุกเดือนทุกทีตลอดไปเราไม่ต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมันไหลมาเทมาบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราทุกคน แล้วเมื่อความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมเราจะไปห้ามว่าความตายนี้เราจะไม่ให้มาถึงตัวของเราและญาติพี่น้องของเราย่อมไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกมันไม่ฟังแต่มีทางเดียวคือว่าเราต้องรีบเร่งไม่ว่าวันไหนคืนไหนเดือนไหนปีไหนเวลาใดก็าตามเราจะต้องปฏิบัติภาวนา รวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นเพ่งมองเห็นว่ามารณะภัยคือความตายนี่มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอายุของคนเราจริงๆก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละ อายุจริงๆไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่โลกเราสมมติกันว่าได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีความจริงที่เราว่าได้นั้นมันเสียไปหมดไปไม่ใช่ได้ที่ได้ที่เป็นโยก็เวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เท่านั้นบัดนี้ยังมีลมเข้าอยู่ยังมีลมออกมาอยู่นี่แหละ ชีวิตของเราอายุของคนเราก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจน้อยนิดเดียวไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับอ่านมานั้นอันนั้นมันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเอากลับมาอีกไม่ได้แต่ว่าลมหายใจเข้าออกที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ยังมีอยู่อายุถ้าละยังมีลมหายใจอยู่ เขาก็ว่าคนนั้นยังไม่ตายยังเป็นคนดีคนเป็นอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเขาก็ว่าคนนั้นตายไปแล้วเป็นผีไปแล้วคือหมดลมหายใจก็หมดชีวิตหมดอำนาจวาสนาหมดทุกอย่างทุกประการช่วงระยะที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจาร์ไปตามเรื่องราวอารมณ์อดีตอนาคตจงโลมจิตใจของตนเข้ามาในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้เพราะว่าเวลานี้นั้นใจหมายถึงดวงจิตดวงวิญญาณของเราทุกคนได้แก่จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวในกายในจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ ที่เราฟังธทรรมได้ยินเสียงจดจาธรรมะคาสอนอยู่ก็คือว่าจิตใจนั่นเองใจนี้ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรามองเห็นเป็นรูปร่างนี่ใจนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่มาอาศัยอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์ก็ให้ชื่อว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ไป ส่วนดวงจิตนั้นมันแอบอาศัยอยู่ในรูปประขันร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าใจไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่รวมใจของตนเข้ามาเป็นดวงเดียวแล้วไม่รู้มันจะสซ่านไปตามอารมณ์ความต้องการปรารถนาในจิตใจอันนั้นท่านให้ชื่อว่าตัณหา ตัณหานั้นท่านว่ามันมีอยู่ในใจตัณหานั้นไม่อินไม่พอกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานณทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่ดีตัณหาความอยากความดิ้นลมในใจมนุษย์และเทวดาอินทร์พรทั้งหลายย่อมมีเป็นธรรมดาอย่างนั้น เมื่อเรารู้ได้เข้าใจว่าที่แลตันหาในใจของเราไม่มีที่พอที่พอมันอยู่ที่ไหนที่พออยู่ที่ใจเราสงบได้ใจเราสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้นั่นแหละจึงจะมีที่พอจึงจะมีที่เต็มได้ เพื่อให้รวมใจเข้ามาในหลักปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจเราอยู่ที่นี่ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นจงอย่าไปหาใจของเราในที่อื่นใจคนเหานั้นเราได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่กลงไหนก็ที่กลงนั่นแหละใจเราอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าใจนี้เป็นธาตุนามธรรม เราจะหมายเอาเป็นสีสันวันนะเหมือนรูปร่างกายของคนหรือเหมือนเป็นแสงฟืนแสงไฟอะไรไม่ได้ท้งนั้นเพราะว่าจิตนั้นเป็นธาตุรู้มีความรู้อยู่ในตัวในใจของคนเราทุกทุกคนเมื่อผู้ใดมารวมจิตใจดวงนี้ให้เข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวแล้ววันไหนเวลาใดก็ภาวนาได้ทุกเวลา เรานั่งโยก็ภาวนาพุโทโธได้ยืนโยก็ภาวนาพุโทโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุโทโธได้เพราะยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้ทางนั้นไม่ต้องรอถึงชีวิตแตกดับต้องตั้งใจภาวนาตั้งแต่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตเรามีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นเมื่อดวงจิตดวงใจมีโยท่นี้ก็ให้ภาวนารวมจิตใจอันนี้เข้ามาภายใน ส่วนสังขารมานกิเลสมานที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรแล้วก็แสสายไปตามอารมณ์เรื่องราวภายนอกนั้นพระพุทธเธจ้าสอนไว้ว่าให้ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปตามใจกิเลตตามใจตัณหามาณนะทิตินั่นคนเราตามมาตั้งแต่อเนกชาตินับพกนับชาตไม่ทวนแลว้ว กิเลตันหาในใจมันต้องการตากนาสิ่งใดเราก็หามาให้แสวงหามาให้มันหามาให้เท่าไรเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอธรรมดากิเลตในใจม น, นุษย์คนเหล่านั้นเมืองพอไม่มีพออยู่ที่สงบจิตสงบใจได้เมื่อสงบจิตใจได้ก็พออยู่ที่นี้เท่านั้นเอง ถ้ามันยังดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่แล้วไม่มีที่พอเราจะหามาให้เท่าไรมันก็ไม่พอท่านเปรียบโอปามาเหมือนอย่างว่าไฟไฟที่ลุกชนอยู่นั้นใครจะเมตตาสงสารไฟหาฟืนหาเชือเพลิงนะ้่มันให้ไฟกินนั้นไม่มีที่พอมันไหม้ลุกใหญ่ไปเป็นธรรมดา ของฝไฟชั้นใดกิเลสความโกรธนี้ก็เหมือนกันกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงก็เหมือนกันหมดกิเลสตัณหามาณทิตติอันมีอยู่ในใจคนเหล่านั้นก็ไม่มีที่พอดูใจของเราได้สิ่งนี้แล้วก็ไม่พออยากได้สิ่งอื่นๆต่อไปดีอย่างนี้แล้วไม่พอก็อยากได้ดีอย่างอื่นเรื่อยไป เพื่อใจไม่สงบแล้วไม่มีเมืองขอจงทําใจของเราให้สงบที่ท่านให้นึกภาวนาพุทธโธพุทธโธยนย่อธรรมะคําสอนลงมาที่ว่าพุทธโธนั้นเพื่อให้มันมาสงบอยู่มานึกอยู่มาเจริญอยู่ในคําว่าพุทธโธพระพุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้า ในพุทธศาสสนานี้จะบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมะธรรมโมคำสอนต่างๆธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันนั้นจะบังเกิดมีขึ้นก็ต้องมีพุทธโธเสียก่อนพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้เสียก่อนจึงมีศาสนาธรรมคำสอนเหล่านั้นถ้าหากว่าขาดพุทธโธไม่มีพระพุทธเจ้าเสียแล้วไม่ได้มา ตรัสลูโลกนี้ก็มืดคําว่ามืดก็คือว่าไม่รู้แจ้งพระนิพพานไม่รู้ละกิเลสความโกรธความโลภความห ล, ลงในใจของตนใจก็มืดมนอนทการดิ้นหล่นบุนบายไปตามอํานาจความโกรธอํานาจความโลภอํานาจความหลง เมื่อความโกรธโลบหลงบังเกิดมีขึ้นในใจของคนเราแล้วก็มักทําไปพูดไปคิดไปตามอํานาจกิเลสความโกรธ อ, อันนั้นกิเลสความโลภอันนั้นกิเลสความหลงอันนั้นไม่รู้จักทําความสงบระงับไม่รู้จักทําความอิ่มความพอให้บังเกิดมีขึ้นจงรวมกําลังตั้งมั่นลงไปในใจ นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็รวมใจเข้ามาที่นี่คือดวงจิตดวงใจของเราจริงๆนั้นมันอยู่ภายในตัวภายในใจของเราทุกคนไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นจงรวมกําลังตั้งใจเข้ามาภายในใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้เราจะคิดตามไปว่าอนาคตตการโน่น มันก็ไม่มีที่จบที่สิน้นคิดไปในอดีตที่เราผ่านมามันก็ไม่จบไม่สิน้นมันผ่านมาแล้วมันหมดไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เราเนกเราภาวนาพุทธโธอยู่ก็ให้คิดใจนี่แหละมาสงบตั้งมัน่นอยู่ในองค์พุทธโธคือใจอิ่มใจพอใจสงบระงครับใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ใจไม่ง่วงเหงาหานอนยิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นเมื่อใจเราตั้งมัน่นไม่ยอมให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมาครอกงำใจแล้วยึดใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานี่แหละจะมีความสงบสงบเยือกเย็นสบายอยู่ในตัวในใจ เราก็เพียรพยายามระมัดระวังรักษาใจของเรานี่แหละให้มีสติอยู่ทุกเวลาคำว่าสติคือความระลึกได้ผู้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้โลดอยู่ในตัวในใจนี่แหละ <c oughs> เราต้องเพียรพยายามระลึกอยู่เสมอเตือนหัวใจของเราอยู่ทุกวันทุกขืนอย่าให้ใจเราเกิดความประมาท ความประมาทมัวเมาของคนเหล่านั้นมักจะมาคิดว่าผู้ที่ตกโยในวัยเด็กวัยหนุ่มก็มาคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มโยการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อไรก็ได้เพราะมองเห็นว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่แต่เราหารู้ไม่ว่ายังเด็ก คนเด็กๆมันก็ตายได้คนนมก็ตายได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครเหลือเมื่อเรามาเลิกถึงข้อนี้แล้วยังเด็กยังนมก็อย่าประมาทให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาโดยเฉพาะในคืนหนึ่งๆก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นให้พากันกราบพระไหว้พระ <c oughs> ทำวัดสวดมนต์พอสมควรเลยคนนั่งสมาธิภาวนานี่แหละอันทางรูปร่างกายก็ให้นั่งตามละเอียดไปส่วนใจนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าใจเราต้องมีความสงบตั้งมัน่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปตามอารมณ์ก่เล ธรรมดาอารมณ์กิเลสนั้นมันพาให้ใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทกข์อย่าบดเพราะว่ากิเลสความโกรธก็ดีกิเลสความโลภความหลงก็ดีมันพาให้ใจคนเราร้อนเพราะว่าไม่สงบไม่ละไม่วางไม่ละทิ้งไปยึดหน้าถือตาไปยึดตัวถือตนไปยึดว่าตัวเราของเรา คือว่าจิตประมาททางนั่นจิตนี้ถ้ามีความประมาทโมเมาอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวคือว่าเข้าใจว่าเราจะยังเด็กยังหนมก็จะเด็กหนมเรื่อยไปมันไม่ใช่อย่างนั่นไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนให้รีบเร่งภาวนาสมัยครั้งพุทธกาลโน้นเด็กเด็กอายุพนาเจ็ดขวบท่านภาวนาทำความสีนละกิเลศ ท่านละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสัิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอาราหารันตา่ิณาสุถึงเสื่อมเนรผ่า น, านนั่นแหละเด็กๆท่านแต่ก่อนท่านภาวนาไม่ใช่ประมาทมัวเมาท่านนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายว่าไม่มีอะไรที่จะมาทับทานสิ่งเหล่านี้ได้ เอยูอย่างเดียวคือว่าภาวนาละกิเลสไม่ว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงเมื่อเรารู้ได้เข้าใจเวลาไหนก็ละทิ้งเวลานั้นไม่ต่อเติมส่งเสริมไปตามอำนาจกิเลสแล้วไม่มายึดถือไว้ในตัวในใจหน้าของเราตาของเราชื่อของเราเสียงของเราไม่ต้องไปยึดถือ จองตั้งใจละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำใจของเราให้สงบระอบเย็นสบายคำว่าสบายไม่ใช่ว่าเพียงคำให้มันสบายต้องมีปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป เพราะว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราเป็นไปเองก็ให้เห็นว่ายาได้ประมาทไม่ต้องมาติดข้องผัวพันอยู่แค่ว่าเราอยู่ดีสบายเรายังเด็กยังหนุ่มนี่เพราะว่าสิ่งทั้งห้ายไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อผู้มีสติระลึกอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ยังเด็กก็ภาวนาได้ยังหนุ่มแข็งแรงก็ภาวนาได้และอีกเรื่องหนึ่งก็มักจะมาคิดว่าตัวเรานี้ไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรคงไม่เป็นอะไรได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นความประมาทความจริงแล้วร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มันแก่ชราอยู่ทุกเวลา มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่สังเกตเราไม่มีปัญญาจึงไม่รู้ความจริงแล้วร่างกายของเราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามนี้เยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเข้าอยู่ในโรงพยาบาลกินยาตลอดเวลาก็ว่าได้ ถ้าหนาวมาเราก็นุ่งห่มผ้าหม่มเอาผ้าห่มมาห่มเข้าเพราะอะไรก็เพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดมีขึ้นในร่างกายนี่แหละการนุ่งห่มก็เป็นการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บอันหนึ่งหรือเรามีบ้านเดือนที่อยู่อาศัยก็คือว่าบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองมันเป็นโรงพยาบาลน้อยๆนั่นแหละ บ้านเรือนของคนเราอยู่กุฏิวิหารที่พระเนร์นอยู่ก็เป็นโรงพยาบาลย่อยนั่นแหละถ้ามันเป็นเล็กๆ น, น้อยๆก็อยู่ได้เดียวยาด้วยตนเองได้แต่ว่ามันเป็นมากเข้าต้องไปโรงพยาบาลใหญ่กอแก้ไปแก้ดีก็ดีแก้ไม่ได้ก็มีเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บของคนเรานั้น ให้เข้าใจว่าโรคบางอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วต้องกินยกุกกินยาก็หายไปแต่ว่าโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วกินยาก็ไม่หายตายเสียเมื่อใดจึงหายโรคมันมีอย่างนี้เราอยาเข้าใจว่าเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วหายบางคนมันไม่หาย บางคนก็เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิ่งไปหาโรงพยาบาลไม่ได้นึกภาวนาแก้ไขไปแทนที่จะหายเลยตายมาเลยไปสู่ปาชากกมีมีเยอะแยะเสียด้วยนั้นอย่าไปคิดว่าจะแก้ทานั้นทานี่หายความจริงแล้วรูปร่างกายนี้มันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ ถ้าแก่เมื่อเด็กได้เมื่อหนุ่มตายก็มีแก่เมื่อหนุ่มได้แก่ชะลามาถ้าตายแน่ๆไม่มีใครจะพ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ในเวลานี้บัดนี้เราได้เรียนทำคําสอนในทางพุทธศาสนาอยู่ในใจของเราแล้วว่าภาวนาอย่างเดียวแก้ได้ทุกอย่างการภาวนามันแก้ได้อย่างไร คือแก้จิตใจผู้มายินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ให้ได้ให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่ความสุขมันเป็นสถานที่ทุกข์สุดแหละแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นถ้าจิตเราไม่สงบระ ง, งับไม่ตั้งมัน่นจริงๆมองไม่เห็นเพราะว่ากิเลสมันหลอกลวงอยู่ตลอดกาลจนให้เ่อว่าพยามาณ กิเลสมันเป็นมานกิเลสราคะมันเป็นมานกิเลสโทสะเป็นมานกิเลสโมหะเป็นมานเมื่อกิเลสเหล่านี้ยังเป็นใหญ่อยู่ในร่างกายจิตใจของคนเร่าเลวมันโกหกพกกลมอยู่ตลอดเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาเมื่อใดเวลาได้มันก็อ้างการอ้างเวลาว่าเท่านะัก สายแล้วร้อนกลางวันภาวนาไม่ได้กลางคืนก็อยากจะหลับจะนอนเกิเยไม่มีเวลาภาวนาเวลาภาวนานั้นท่านว่ามีอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าออกมีอยู่ก็นั่นแหละเป็นเวลาที่เราจะว่าเรายังเด็กยังหนุ่ม เป็นความประมาทมัวเมายามาเข้าใจว่าเราไม่มีโลกมีภัยโลกภัยไข้เจ็บมันมีอยู่ตลอดกาลเราเยียวยาพยาบาลตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้จะเยียวยาพยาบาลขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอันมละนะคือความตายนั้นไม่มีใครต้องการปรารถนาะแม้จะแก่ชราแล้วก็อยากจะดูต่อไป อันนี้เป็นธรรมาดาของกิเลสความอยากของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายนั้นเราจะไปห้ามไม่ใครไม่ได้แม้จะล่องให้น้ำตาไหลมันก็ไม่กลับคืนมา คนเราเมื่อเวลาอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็เข้าใจว่าเราจะไม่ได้พัดพาดจากกันไปความจริงแล้วหลักการของโลกหลักการของธรรมมันแสดงให้เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ว่าเกิดมาแล้วความแก่ความชะลาความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพัดพากจากของรักของชอบใจย่อมมีเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่เห็นในส่วนตัวเราเองก็ให้ดูบุคคลผู้อื่นที่เขาเกิดมาแล้วเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายเขาพัดรากจากกันไปย้อนถึงล่องให้น้ำตาไหลก็ไม่กลับมาอีกก็นั่นแหละเมื่อถึงวาระของเราทุกคนก็เหมือนกัน อย่าไปนึกว่าข้าไม่รับเอาความแก่ความเจ็บความไข้และความตายไม่ได้เพราะมันมีอยู่ในเนื้อในตัวของเราเองทางที่ดีทันว่าให้รีบเร่งภาวนาอยามีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจโยที่ไหนไปที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ให้ตั้งใจเรื่อยไป โดยเฉพาะคือว่าเราไปลดไปลาเหล่านี้แหละก็มีภัยอันตรายอยู่เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนนั้นเมื่อไปลดไปลาไม่ทาวนาพุทโธในใจมัวเคลิดเกินไปตามอารมณ์กิเลสในเวลาไปนั้นเมื่อใจประมาทมัวเมา ธรรมดาญาณพาหนะที่มนุษย์พาไปมานั้นนิภัยอันตรายรอบด่านใครจะไปเชื่อมันได้ว่าจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถึงข่าวมันจะต้องเป็นแล้วมันต้องเป็นไปทางที่ดีเราต้องรีบภาวนาละกิเลสในใจของเราให้หมดเสียก่อนความโกรธเมื่อเราเลิกมันได้ละมันได้ เมื่ออารมณ์กระทบขึ้นมามันก็ไม่โกรธเรามองเห็นความโกรธว่าไม่ดีเราได้ละทิ้งเจแล้วมันก็ไม่โกรธมันก็เฉยๆได้ความโลภความอยากได้ต่างๆนานาก็คือว่าจิตมันยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารตัวตนอันนี้สําคัญว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวกูของโกแล้วหาได้โล ว, วัว่า เราบอกได้ว่าฟังไหมเวลาเป็นเด็กให้อยู่เป็นเด็กตลอดไปมันได้ที่ไหนเด็กมันก็กลายมาเป็นหนุ่มหนุ่มมันก็กลายมาเป็นกลางคนกลางคนมันก็กลายไปเป็นคนแก่คนชราเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วไม่มีทางไปแล้วเหมือนไม่ใกลฟังจาเป็นต้องโค่นหักลงมา ฉั้นไดคนแก่คนชลาก็ฉันนั้นแล้วจงรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาพุโทโธในใจทำอย่างไรกำหนดอย่างไรทิจารนาอย่างไรใจเราจึงจะสงบระังับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาทำอย่างไรใจของเราจะมีทานะบามีมีศีนบารมีมีเนคขมะบารมีในจิตในใจของเราเราต้องรีบเร่ง ไม่ต้องไปรอคนนั้นรอคนนี้รอไม่ได้ตัวใครตัวมันการปฏิบัติบูชาภาวนารอกันไม่ได้บุญบา ร, รมีของใครบำเพ็ญมาอย่างไรเราก็รีบบำเพ็ญต่อไปให้มันเร่งรีบไปถึงซึ่งนิพพานเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานก็ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละพระนิพพานนั้น มันก็ไม่ใช่อยู่อื่นไกลที่ไหนก็มีอยู่ในจิตในใจในกายวาจาจิตตัวเราทุกคนนั่นแหละพระนิพานนั้นมันอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพานก็อยู่ในใจนี่แหละแต่ถ้าเราไม่ละกิเลสออกไปมันกิเลสนี่แหละมันหุ้มไว้กิเลสความโกรธมันห่อหุ้มไว้กิเลสความโลภมันห่อหุ้มไว้กิเลสความหลง หอหุ้มไว้หอกายวาจาจิตของคนเราให้มีความรุ่มหลงจิตขล่องปัวพันอยู่อันนี้กิเลสมันพอกมันมมลปิดบังไว้เมื่อถึงเวลาเราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราจะต้องชำละละ้างกายล่างวาจาล่างจิตล่างใจของเราให้บริสุทธ์ผ่องใส ได้แก่การรักษาสินห้าสินแปดเจริญสมาธิภาวนาหลักของสินห้านั้นให้พากันจำให้มัน่นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้หลักสินห้าประการนั้นท่านให้เว้นจากฆ่าคนฆ่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็ให้พากันละเว้นเพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องคิดถึงตัวเราเองว่าคนอื่นมาฆ่ามาทำร้ายเราเราพอใจไหมเราอยากจะให้เขาฆ่าเขาฟันเขาทำให้ตายไหมไม่มีใครอยากตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการตายเพระนั้นการเว้นจากฆ่าจากเว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในการมเว้นจากกล่าวมุสาว่าเว้นจากเดินกินสุลามีไล อั น, นีนเป็นบุญเป็นกุศลใครเลิกได้ละได้ต่อยวางได้ก็จิตใจสบายไม่มีเวรไม่มีภัยในที่ทั้งปวงไปที่ไหนโยที่ไหนคนมีศีลห้าประการแล้วมนุษย์ทั้งหลายเขาก็ไว้เมื่อเชื่อใจว่าคนนี้เป็นคนมีมีศีลมีศัก์เป็นคนทาคนงามความดีจิตใจไม่โมโหโธโซจิตใจดีงาม แน่นการรักษาศีลนี่แหละก็เป็นธรรมอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องรักษาเมื่อเรามีศีลสมาธิปัญญาก็บังเกิดมีขึ้นได้ถ้าเป็นคนทุศีลทำแต่สิ่งที่ไม่ดีผิดหลักของศีลจะต้องมีความเศร้าใจมีความทุกข์ใจมีความเล่าร้อนอยู่ในตัวในใจนั้น เพ่าะนั้นเมื่อเรายังไม่มีศีลก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลห้าในใจของเราในตัวของเรากายวาจาของเราให้ได้ต่อไปแล้วการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธโธธรรมโมสังโฆนี่แหละเพราะว่าในหลักพุทธศาสนานี้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามหลักนี่แหละ น้อมเข้ามาก็พุโทโธอันเดียวก็ทำโมสังโฆก็อยู่นั่นแหละเมื่อเรานึกโยจะเลิญอยู่โยที่ไหนไปที่ไหนก็ตามจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนก็พุโทโธทำโมสังโฆในใจของเราพุโทโธพุธโทโธในใจให้จิตใจของเราตั้งมัน่นสงบรงังอับเย็นสาบายอยู่ อยที่ไหนก็สบายถ้าฮาว่าพุทธโธอยู่ในตัวในใจพุทธโธอยู่นักภายในผู้ใดด่ ล, ลึกถึงคนพระพุทธเจ้าอยู่ผู้นั้นแหละท่านว่าเป็นคนมีความสุขมีความสบายไม่ต้องไปหาความสุขสบายที่อื่นความสุขสบายที่อื่นนั้นสู้ความสุขสบายที่ภาวนาพุทธโธไม่ได้พุทธโธพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนใจเราก็ให้อยู่ในคุณพระพุทธเจ้านั่นคนของพระพุทธเจ้าย่อมปกปักรักษารักษาจิตใจของเราก็ได้ถ้าเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าก็เข้ามาสูจิตใจของเราเวลาเราจะโกหกให้ใครก็ให้นึกถึงพุทธโธเีซก่อน หรือว่าเสียงอะไรที่มันกระแทกแดกดันมาก็ให้นึกภาวนาพุโทโธอยู่ในใจสิ่งที่ไม่ดีนั่นจะหายไปกลายเป็นความดีขึ้นมาคือใจเราไม่โกรธใจเราไม่โลภใจเราไม่หลงได้เมื่อใดเวลาใดนั่นแหละมันเป็นความสุขภายในแต่ว่าความสุขภายในนี้คนเรามองไม่ค่อยเห็น โู้ไดภาวนาพุทโธในใจจนรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นจริงๆก็รู้ได้โดยตนเองยังไปหาลู่ที่อื่นไม่ได้มาลู่ที่ตัวมาลู่ที่กายที่วาจาที่เราพูดอยู่ที่ใจที่เราคิดภาวนาอยู่นี่แหละถ้าเราทุกคนไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามถ้าฐานที่ภายนอกไม่สําคัญเท่าไรนัก สิ่งสำคัญก็คือว่าสถานที่ภายในตัวเราขาสองแขนสองอยู่ที่ไหนจิตใจคองล่างอยู่ที่ไหนก็ให้รวมกำลังลงไปที่นั่นให้ถือว่าเวลาปัจจุบันที่เราภาวนาอยู่สงบกายอยู่สงบวาจาอยู่สงบจิตใจอ ย, อยู่นั่นแหละ พระธรรมวินัยศัตธูศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นเองแต่ว่าคนเราไม่ไม่มีสติระลึกอยู่เมื่ออารมณ์เรื่องราวภายนอกกระทบเข้ามาแล้วก็มักจะให้จิตใจเราดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระส่ายไปจนหาความสุขความสบายในจิตใจของตนไม่ได้ มีแต่ความร้อร้อนอยู่ในใจนั่นแหละคือว่าใจไม่ภาวนาถ้าใจภาวนาอยู่พุตโธอยู่ในดวงใจหรือว่ารวมใจของตนเข้ามาสงบตั้งมั่นภายในใจแล้วก็จะเลิกละความโกรธความโลภความหลงออกไปได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล ตลอดออกไปจนถึงโลกภายนอกคือผืนแผ่นดินก็ตามท่องผ้าอากาศคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเราดูความจริงถ้าใจเราสงบตั้งมัน่นก็จะเห็นแจ้งในใจของตัวเองทีเดียวว่าโลกนี้ทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าเรื่องของคนของสัตว์มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดินฟ้าอากาศฟ้าฝนชนนาธาอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันแสดงความไม่เที่ยงให้ปรากฏอยู่ทำไมคนเราจึงยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายต่อเพราะว่าความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะว่าความเป็นทุกข์นั่นแหละ มันจึงได้ยืนเดินนั่งนอนมันทุกมีอยู่ในตัวในกายในจิตของคนเราสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราการที่เรายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้ามันยึดเอาถือเอาตังหาความจริงสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นของใครดินเป็นของโลกน้ําเป็นของโลกไฟเป็นของโลกลมเป็นของโลกมีอยู่ในโลกนี้อย่างนี้เลื่อยไป เยตใจของเราผู้รู้ผู้เห็นผู้ฟังธรรมผู้ภาวานาพุทธโธอยู่ในตัวในกายในใจเดี๋ยวนี้เวลานี้นี่แหละที่เราจะต้องเอากงนี้รวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่นะภายในนี้ถ้าใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตนี่แหละความสกสงบเยือกเย็นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของคนเรา nan หละ ทำว่าสุขสบายก็คือใจตั้งมั่นในธรรมใจภาวนาพุโทโธอยู่ใจเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นี่แหละเมื่อใจเห็นแจ้งภายในใจแล้วใจมันก็สงบไม่รุ่มหลงมัวเมาไปภายนอกแลมองเห็นว่าอยที่ไหนไปที่ไหนก็เกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันหมด อะไรทั้งหมดที่ไม่ดีเราก็จะได้เพียนละออกไปวางออกไปถอนออกไปยังจิตใจของเราให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ในตัวคือคนพระพุทธเจ้าที่เราลำลึกถึงนี่แหละมีความสุขอยู่ภายในตัวภายในใจของเราทุกคนถ้าเราตั้งจิตเจตานาให้มั่นคงแล้ววันไหนก็ภาวนาได้คืนไหนก็ภาวนาได้ เดือนไหนก็ภาวนาได้ปีไหนก็ภาวนาได้จะเป็นฤดูฝนก็ภาวนาได้เป็นฤดูแล้งก็ภาวนาได้เป็นฤดูหนาวก็ภาวนาได้เพราะการภาวนาทําใจให้สงบสงับจนให้รู้แจง้งเห็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่มีอะไรมาปิดบัง มันเป็นกีเลตในใจของเรานั่นแหละมันติดเองบังเองของมันไม่ให้เรากําหนดพิจารณาได้จึงจําเป็นต้องลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนายาได้นอนอยู่จงเป็นผู้ตื่นขึ้นคือความแก่ความชรามันบีดบังคับคนเราให้เป็นไปอยู่บังคับบัญชายังไม่แก่มันก็จะบังคับให้แก่ด้วยไป ยังไม่เจ็บไม่ไข้มันก็บังคับให้เจ็บไข้เรื่อยไปยังไม่ตายมันก็จะบังคับให้ตายเรื่อยไปเห็นนั้นก่อนที่ความตายจะมาถึงเราต้องฆ่ากิเลกความโกรธให้ตายก่อนฆ่ากีเลสความโลภให้ตายก่อนฆ่ากิเลกความหลงในตัวในใจของเราให้ตายก่อน เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะมันตายไปแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็มีความสุขสงบเยือกเย็นเพราะอำนานจะกิเลสไม่ได้มาบังคับบัญชาจิตใจของท่านให้หลงไหลไปอยู่ใต้อำนานจะกิเลสประการใด จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆคำว่าภาวนาคือว่าสมถภ า, าวนาอุบายใดที่จะยังให้จิตใจเราสงบหลังลับได้ก็ให้นึกให้เจริญอุบายนั้น เมื่อเราระลึกถึงอุบายคำว่าพุโทโธใจเราไม่สงบอุบายอื่นก็ได้ว่าแต่เจลิตจิตใจของเรานั้นนึกถึงอุบายทำข้อใดสิ่งใดที่พระองค์ทรงตัดไว้แล้วจิตใจเรามีความสลดสังเวชสงบระงรับเยือเกเย็นได้ท่านก็ให้เอาสิ่งนั้นมานึกมาเจริญอย่างว่าเราจะเริญบทใดจิตใจเราก็ยังไม่สงบระงรับ ก็ให้เอามาละนาภัยคือความตายนี่แหละมานึกมาเจริญดูเวลาคนเราเมื่อเกิดมาเราได้ร่างกายสังขารตัวตนอันนี้มาทีนี้เมื่อถึงเวลาตายเอาไปได้ที่ไหนร่างกายสังขารที่ได้มาจากท้องแม่ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้มีใครหาหามตัวเองไปได้ ไม่มีเลยตายที่ไหนก็ทิ้งสังขารไว้ที่นั่นแหละนี่สิ่งนี้แหละอุบายทำคำว่าตายถ้าผู้ใดามานึกถึงความตายนี่แหละได้ท่านว่าเป็นยอดธรรมเพราะว่าเมื่อถึงความตายแล้วใครจะร้องให้นาตาไหลมันก็ไม่อยู่มันก็ไม่ฟังพระพุทธเจา้าเมื่ออายุ ของพระองค์ได้แปดสิบปีก็อยู่ไม่ได้แล้วชาลาพยาธิมันมาเต็มที่แล้วพระองค์ก็ยอมรูปร่างกายนี่ยอมให้แก่พยาแมตโุลาดคือความตายพระองค์ไม่ห่วงไม่อะไรเพราะว่าจิตใจของพระองค์ดีแล้วภาวนาตรัสลูละกิเลสได้หมดแล้วท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามสังขาร ร่างกายจะเจ็บไข้แก่ชร า, าแตกดับตายไปเป็นธรรมดาของสังขารของโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ส่วนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ ก, กลับมาเป็นทุกข์เป็นร้อนในโลกนี้อีกท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นแล้วแม่เราท่านทั้งหลายยังไม่หมดไม่สิ้นก็จริงแต่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นท่านว่าไม่เหลือความเพียร ไม่เหลือความเพียรของผู้ตั้งใจแล้วลึกโย่ซึ่งความตายที่จะมาถึงตัวเราเรานั่งโย่ยืนโย่ที่ไหนก็ตามมรณ ะ, ะไยคือความตายมันมาถึงได้ทุกเวลาทางที่ดีเราต้องนึกจเจริญโยในใจนั่นแหละอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบระงับก็ให้นึกอุบายนั้น ถ้านึกอุบายใดไม่สงบก็ให้นึกถึงอุบายความตายอุบายความตายนี้ถ้าผู้ใดนึกจเจริญจริงๆแล้ว้าให้จิตใจมีกำลังมีความสามารถอานหารที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้เพราะว่าความตายนั้นมันไม่ได้ยกเว้นใครจะมาขอร้องมันก็ไม่ฟังขอให้เลื่อนที่ให้หน่อยมันก็ไม่เอา ถ้าได้เวลาแล้วมันตายทุกลายไปนี่แหละเราท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทมาลาังเมภาวิสติให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เตือนสาวกทั้งหลายว่าผู้ไม่ประมาทนั้นก็คือผู้นึกถึงความตายของตัวเองได้ว่าความตายของเรามันตายได้ทุกเวลา นั่นแหละพระพุท ธ, ธเจ้าท่านจึงให้นึกว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจแม้เราจะถาคตหมายถึงพระพุท ธ, ธเจ้าของเราเพราะองค์ก็มองเห็นได้ทุกลมหายใจว่าความตายนั้นมันใกล้ที่สุดแล้วโยภายในตัวภายในใจของเราทุกคนด้วยเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความจีนละกิเลสนี้ให้เราท่านทั้งหลาย ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าได้ประมาทเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจะไปลองหาคนโน้นคนนี้ไม่ได้ใครมาช่วยก็ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงขาบุคคลผู้ใดแล้วก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของความตายนั่นๆใครจะไปแก้ไขไม่ได้ ทางที่ดีเราแก้ละกิเลสในใจของเรานี่แหละความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีฮะมันหมดไปสิ้นไปความหลงไม่ให้มีคําว่าไม่ให้มีนั้นไม่ใช่เพียงความคิดนึกเฉยๆต้องภาวนาทําความดีรักษาศีลภาวนาทําคุณงามความดีรักษาใจของเราผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในใจกรงไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่กรงนี้ แล้วก็มาสงอบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้อะไรเกิดขึ้นก็ให้มีสติให้มีปัญญาพิจารณายาได้ไปรุ่มหลงมัวเมาตามโลกเขาจงเป็นผู้มีความอดความทนจงเป็นคนมีสติมีปัญญาฝึกหัดจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดความสามเณรอ่านถานอยู่ในตัวในใจทุกขณะเมื่อเราเป็นคนมีปัญญา และเป็นคนมีความอดความทนเป็นคนมีความพาคความกยนความพยายามไม่ท้อถอยก็ยอมสำเร็จดังความมุ่งมากปปารถนาได้ทุกทุนนาเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่มีใครที่จะไปแก้ไขให้ได้มันเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องแก้ไขปลดเปื้องออกจากกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจได้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 ยะถาวาริวาหาปุลาปาริอุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเปเมวะสังมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยะถามะนิโชติราโสยะถา สพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตปวัตะ ว, วันตรายโยสุขีที่คาอยู่โกภวะอภิวาทนาสีดิชนิตังวุธาปายัยิโนจรตาโตรโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุ ข, งขังสาลังจิตใจแสนร่ ม <c oughs> าบัดนี้ถึงเวลาจังหวัดปฏิบัตธรรมตามนิทานพุทธรณนาต้องสนังโลกธรรมขัดตายกันี่เลยมันมดน้วยหายเร็วไปมันเบ า, เ ไ, ปา ไ, ไปบางไปหมดไปสิ้นไป การน่งสมาิมือให้พาการนั่งขัดสมาทิกา น, นั่นขัดมาธิแล้วหยาถ้าจิตไม่ยาจิตวะจิตจิตนานะมันจะไม่ยาแต่ถ้าจิตันเยอดนังถือมัอนมัตัวเป็นัตว์เลเกนไปตัวโตของเนเลอะระนั่งสมาธิได้ไได้แล้วมันตัวมันตัว ม, มันตาย น, นั่นง ท, ทัเอาขาซ้ายุึงมาทัดขาขวาเอาขขวาขึ้นมาทัดขาซ้ายมือขวาวางทัดมื้ายตั้งตงในเกี้ยวเกี้ย คตพุะคตเ ท, ทมุตุเป็นผู้เป็นพระนามแข็งพระพุทธเจ้กาการคตทุกข์นั้น n ดยเป็นทัศนูพุทธะว่าเอองำเป็นบานรมีาปีอสงไขสนากงได้มาประเสริฐเ c ็นพระตาสดาชนาุทธ้งหลาย เมื่อพระองค์สางสมาธิาลันมาเตาจใมโผ่แต่แม้ขัดสมาธิทเมื่อใจประทึกใจเป็ทิศจริงๆทิดนั้นหนเกิดใจเดวเดียวไมเลิกไม่มถ้าไม่ไดันคลนบารมีมาตามจจ็บจนจนไม่ขัดรม่ลืมจนจะพุดถึงใจแล้ว ยังมือความบกพรตายวาจากิตไม่อย่างใดก็ยางมือตายวาประสนมาสังคุตโตเจ้าสัพพโมสุทธะนั้นว่าไม่มือควลึงเมืองหนาวอย่างโลกธรรมดาญา ต, ติพระยาปราศโลสะพูดจากทีเล่กาการเกิดได้บกพร้า ด่าทางจังงี้งานขึ้นมาแล้วไม่อย่าฆาเันสดอาจีเรพันสดอาด้หมดขึ้นอาจีเรพางโลคะในสุดอาจได้หมดขึ้นโลคะโลคะตั้หาการพุทธเจ้าอได้ข่าวรู้ง้นไหมค มือหัวดาบตายอยากอย่างพวกเราทั้งหลายพวการาทั้งหลายทำมาเรานุ่มนุ่มเอาพญามาพุทโธบด้แค่ท้าพัดเหือมีแลบลื่นแค่คนไม่ละมือแลบลือนเวลามันละแลบลื่นมันละแตกมาแต่หัว